ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดปราศจากมลทินปราศจากเครื่องเศร้าหมอ ง, องทั้งหลายคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงที่จะ สร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ชีวิตจิตใจการมาวัดทุกวันพระจึงเป็นเหมือนกับการนำเอาเสื้อผ้าไปซักไปรีดไปทำความสะอาดเสื้อผ้าเมื่อได้รับการสวนส่ยแล้วย่อมมีความสกรปรกแล้วก็ต้อง นำเอาไปซักรีดให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะสามารถเอาไปสวมใส่ใหม่ได้อีกเพราะว่าไม่มีใครอยากจะใส่เสื้อผ้าที่สกรปรกเพราะมันไม่สะอาดมันมีกลิ่นเหม็นฉันใดไม่มีใครชอบคนที่มีกายวาจาใจที่ไม่สะอาด ทุกคนต้องการอยู่ใกล้คนที่มีกายวาจาใจที่สะอาดเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นบุคคลที่น่าพึงคบคาสมาคมอยู่ใกล้ชิดด้วยเพราะมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่หอมมีสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์แต่ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่มี ความโลภโมโทสันเจ้าอารมณ์อยู่กับคนแบบนั้นอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่คือความจำเป็นที่เราต้องมากําจัดความโลภโมโทสันซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่จิตใจของพวกเราและกายและวาจาด้วยพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราชาระกายกับวาจาด้วยอะไร เราก็ชำระกายวาจาด้วยสีนั่นเองสีน์ก็มีหลายระดับสีนพื้นฐานก็คือสีน้าสีนที่สูงขึ้นไปก็คือสีน8 แ, และสีน227งี่เ็นี่เป็นเครื่องที่จะรักษากายวาจาของเราให้สะอาดมีอะไรบ้างสีน้า ก็ข้อแรกก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขารบชีวิตของผู้อื่นเหมือนกับเขารบชีวิตของเราเรารักชีวิตของเราอย่างไรผู้อื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเพราะโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ตาม่างกันกับมนุษย์หรือกับเดรัจฉาน มนุษย์ก็มีร่างกายเดราัฉานก็มีร่างกายมนุษย์มีจิตใจเดรัฉานก็มีจิตใจจิตใจของเดรัชานก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนจิตใจของมนุษย์ก็เคยเป็นเดรัฉานมาก่อนเพราะจิตใจของสารโลกนี้มีการเวีนว่าตายเกิดในภพน้อยพบใหญ่สูงสูงต่างๆมาตลอดเวลา เป็นไปตามอำนาจของบุญและบาปที่ทำไว้ถ้าเป็นอำนาจของบาปจิตใจก็ต้องไปได้รับร่างของเดรัจฉานถ้าเป็นอำนาจของบุญหรือหมดบาปเมื่อใช้บาปหมดแล้วจิตใจก็จะได้กลับมาได้ร่างของมนุษย์ใหม่ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์ก็ดีเดรัจฉานก็ดีพูดถึงเรื่องจิตใจนั้นไม่มีความแตกต่าง เพียง แ, แต่ตามฐานะตามกำลังของบาปหรือบุญเท่านั้นเองจิตใจของเราวันนี้เป็นมนุษย์แต่วันหน้าเราอาจจะไปเป็นเดรัจฉานก็ได้หรือยังไม่ทันตายนี้บางทีจิตใจของเราก็แปลงไปแล้วญาญโยงคงได้ยินคําพูดที่พูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นนรกเป็นสัตว์นรกหรือใจเป็นเปรย ใจเป็นเดรัจฉานหรือใจเป็นมนุษย์หรือใจเป็นเทพใจเป็นพระอริยเจ้าร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ใจไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณธรรมความดีงามมีมากน้อยต่างกันถ้ามีมากก็เป็นพระอริยเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีคุณธรรม ความดีเต็มหัวใจความไม่ดีไม่มีอยู่ในใจของท่านส่วนพวกเดรัจฉานหรือพวกสัตว์นรกนี้ความดีในใจของเขามีน้อยแต่มีความชั่วมีมากเช่นพวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกสัตว์นรกนี้เขาไม่มีศีลห้าถ้ามีก็มีน้อยมากเขาจะไม่เคารพในชีวิตของผู้อื่น ในรชานี้เขาต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อดำร ง, งชีพของเขาสิงสาราสัตว์ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกับเขาเพื่อจะดำร ง, งชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีธรรมะที่จะสอนเขาว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าผู้อื่นแล้วลถ้าเราไม่สามารถอยู่ได้ ก็ดีกว่าที่เราจะอยู่แบบฆ่าผู้อื่นเพราะถ้าเราฆ่าผู้อื่นแลวใจของเราตกต่ำใจเราไม่ขึ้นสูงแต่ถ้าเราไม่ฆ่าผู้อื่นแล้วเรายอมอดตายใจของเราไม่ตกต่ำใจของเราจะสูงขึ้นไปเพราะจะเป็นใจของมนุษย์ใจของเทพดังนั้นการรักษาใจนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญ กว่าการรักษาสิงอินใดทั้งสิ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้รักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมะคือคุณธรรมความดีทั้งหลายเช่นศีลธรรมสมมติว่าเราตกงานไม่มีไรายได้ก็อย่าไปรักขโมย ขอให้เราหางานอะไรที่ทำได้ทําไปก่อนหรือไม่ได้ก็อดมือ้อกินมื้อไปก่อนงานก็ไม่ต้องเลือกงานอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีไรายได้ไปรับใช้เขากวาดบ้านถูบ้านตัดหญ้าทําความสะอาดก็ได้ถ้าเราไม่เป็นคนที่ถือตัวไม่เป็นคนที่ติด กับฐานะเดิมเช่นเคยมีตำแหน่งมีงานสูงๆแล้วตกงานตกการก็ไม่ยอมทำงานที่ต่ำกว่าอย่างนี้ก็จะลำบากเพราะเมื่อไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซื้ออาหารก็จะต้องไปทำผิดศีลอย่างแน่นอนแต่คนที่ไม่ถือตัว เมื่อเวลาไม่มีงานทำมีงานอะไรที่ทำได้ก็ยินดีที่จะทำเพื่อที่จะได้เลี้ยงชีพด้วยความสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ก็จะปลอดภัยถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ใจไม่จนใจยังใจใจยังเป็นใจสูงอยู่ยังเป็นใจของมนุษย์อยู่แต่ถ้าไปทำผิดศีลใจก็จะตกตำ่ำ ถึงแม้จะมีฐานะดีเช่นมีตำแหน่งสูงๆมีเงินทองมากแต่ไปมีชู้ไปมีสามีไม่ไปมีไม่ไปมีคู่รักที่ไม่ใช่เป็นภรรยาหรือสามีของตนอย่างนี้ก็จิตใจก็ตกต่ำเช่นเดียวกันเพราะทำผิดศีลยังไม่ควรที่จะทำผิดศีล ควรรักษาศีลไว้ให้ดีศีลก็อย่างที่พูดไว้ข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองก็คือการไม่รักทรัพย์หมายความว่าไม่เอาข้าวของสมบัติเงินทองต่างๆของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเขาไม่ได้ให้เช่นของที่ญาติโยมนํามาถวายพระสงฆ์องค์เจ้า น, นี้เป็นตัวอย่างญาติโยมให้ อนุ ญ, ญาตให้พระนำเอามาใช้ได้เอามารับประทานเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ของทุกอย่างที่พระจะใช้นี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งไว้ให้รับประเคนด้วยกับมือถ้าเป็นของที่รับประเคนกับมือได้แต่ถ้าของที่ใหญ่ของที่หนักไม่ต้องรับประเคนก็ได้แต่ต้องมีการบอกกล่าวให้ทราบก่อนว่าเป็นของถวาย ให้กับพระแล้วอย่างเวลาญาติโยมกล่าวคำถวายสังฆทานนี้เป็นต้นเป็นการบอกให้สงฆ์ได้ทราบว่าได้มีความตั้งใจที่จะถวายที่จะให้เข้าของเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอให้เอาไปใช้ได้ไม่เกิดโทษไม่เป็นการลักขโมยถ้าเอาของที่เขาไม่ประเคนหรือเขาไม่ถวายมาใช้นี้จะถูกพระพุทธเจ้าปรับ ลงโทษเพราะถือว่าเป็นเหมือนกับการลักทรัพย์เอาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตนี่คือข้อ2คือการไม่เอาทรัพย์ข้าวของเงินทองต่างๆของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้ให้หรืออนุญาตข้อที่สก็ไม่ให้ไปมีความสัมพันธ์กับ ผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนคือไม่ประพฤติผิดประเพณีต้องถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ทางเพศก็ขอให้สู่ขอกันให้ถูกต้องตามประเพณีเพราะคนนี้ก็มีเจ้าของเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นเจ้าของของลูก ตามเนียมตามธรรมเนียมประเพณีนั้นเวลาที่ลูกจะัแต่งงานกันพ่อแม่ต้องไปสู่ขอให้ถูกต้องไปขออนุญาตพ่อแม่ของเจ้าสาวก่อนเมื่อเขาอนุญาตแล้วถึงจัดพิธีแต่งงานกันเมื่อแต่งงานจะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติของกันและกันแล้วสามารถที่จะ อยู่ร่วมกันได้เยี่ยมสามีภรรยาแต่ถ้าเมื่อแต่งแล้วเกิดใจยังมีความอยากที่จะไปหลับนอนกับผู้อื่นอีกอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องก็จะทำผิดสิงข้อที่สก็คือการไม่เศษการตามประเพณีนั่นเองการในสมิชาจาราเวรมาณาี ส่วนข้อที่สท่านก็สอนให้เราพูดความจริงไม่ให้พูดปดมดเท็จเพราะการพูดปดนี้เป็นการหลอกลวงผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเสียประโยชน์หรือเกลียดโทษกับเขาได้เช่นเราไปหลอกเขาขอยืมเงินมาใช้แต่ไม่ตั้งใจที่จะใช้คืนเขา อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการโกหกหลอกลวงและเป็นการลักทรัพย์ทำให้เกิดความเสียหายหรือไปพูดความไม่จริงให้แก่ผู้อื่นเขาฟังก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกว่าร้ายก็ได้เช่เนไปว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูด อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาว่าพูดไม่ตรงกับความจริงจึงไม่ควรที่จะพูดปดมดเท็จและข้อที่5ก็คือการไม่เสพสุรายามเมานี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเพราะการเสพสุรายามเมาแล้วจะทำให้ขาดสติจะไม่สามารถควบคุมการกระทำ ทางกายทางวาจาได้คนที่ดื่มสุราเมาแล้วมักจะไปทำผิดศีลข้ออื่นต่อไปไปฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาก็ได้เช่นเมาแล้วขับขับรถแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปทำให้ผู้ เ, เสียชีวิตอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีลเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาแต่ก็เป็นการฆ่า การฆ่านี้มีอยู่สองลักษณะฆ่าด้วยเจตนาและฆ่าด้วยไม่ไม่ได้มีเจตนาถ้าฆ่าด้วยเจตนานี้จะมีเวนตามมาด้วยคือผู้ที่ถูกฆ่าก็จะอาฆาตพยาบาทหรือญาติพี่น้องของผู้ที่เขาถูกฆ่าเขาก็จะจองเวนจองกรรมแต่ถ้าฆ่าโดยไม่มีเจตนาก็จะไม่มีเวนไม่มีกรรม แต่จะมีมีกรรมก็คือมีผิดศีลทำผิดศีลก็ยังต้องไปใช้กรรมอยู่แต่ไม่มีเวงคือไม่มีผู้จองเวงไม่มีผู้ที่จะตามร่างตามผานอาฆาตพยาบาทเช่นเวลาเราขับรถแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วเราชนสุนัขตายไปอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นบาปแต่ก็ไม่เป็นเวงเพราะเราไม่มีเจตนา ที่จะฆ่าเขานี่ก็คือเรื่องของการทำบาปห้าประการซึ่งจะทำให้กายวาจาใจกายวาจาของเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เราควรที่จะป้องกันหรือชำระกายวาจาของเราด้วยการรักษาศีลอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งวันพระรักษาสักครั้งหนึ่งก็ยังดี ยังช่วยชำระความสโครบให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปแต่บาปกรรมที่เราทำในอดีตนี้เราไปล้างไม่ได้เราสารภาพบาปได้แต่บาปกรรมที่เราทำไวน้นี้เราไปล้างผลไม่ได้ผลจะต้องเกิดตามมาถ้าทำผิดศีลก็ต้องไปเกิดในอบายต่อไป แต่ถ้าไม่ทำผิดสินก็จะไม่ไปเกิดเช่นวันนี้เรามารักษาสินวันนี้เราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะไม่ต้องมีผลคืออบายสำหรับการกระทำของเราในวันนี้แต่การกระทำของเราในเมื่อวานนี้หรือในอดีตเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมีผลต่างมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีผล ที่ไม่ดีมากเกินไปมีโทษมากเกินไปเราก็ต้องเริ่มรักษาศีลไม่ใช่เพียงแต่รักษาเพียงแต่วันพระควรจะรักษาไปทุกทุกวันถ้าเราทำได้ถึงแม้จะไม่ได้ครบทั้งห้าข้อก็ยังดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาไปถ้ามันผิดบ้างแต่ผิดน้อยดีกว่าไม่รักษาเลยแล้วเมื่อเราพยายามรักษาไปเรื่อย ต่อไปเราก็จะรักษาได้มากขึ้นไปเองเพราะจะมีสติดีขึ้นจะเห็นความสำคัญของการรักษาศีลมากขึ้นเพราะการรักษาศีลนี้มีอนิสองส์อยู่สามประการด้วยกัน<ม>คือหนึ่งซีเลนะสุขติญันติศีลจะเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติคือไม่ต้องไปเกิดในอบาย ให้ได้ไปเกิดในสกติคือที่อยู่ของมนุษย์ของเทศ ข, ของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องแวะไปใช้กรรมในอบายก็ต้องรักษาศีลถ้าต้องการไปเกิดในสวรรค์เป็นเทศ เ, เป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องรักษาศีลและก็ไม่ใช่รักษาศีลเพียงอย่างเดียว ยังต้องทำอย่างอื่นด้วยต้องให้ทานด้วยต้องภาวนาต้องปฏิบัติธรรมถึงจะได้ไปเกิดที่สูงสูงถ้ารักษาศีลแล้วให้ทานก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพถ้ารักษาศีลให้ทานแล้วนั่งสมาธิก็จะไปเกิดเป็นพรหถ้ารักษาศีลให้ทานนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนา จเจริญปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นอรหันต์ต้องมีครบทุกอย่างต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้ารักษาศีลเพียงอย่างเดียวก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย แต่จะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ารักษาศีลด้วยให้ทานด้วยก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนเมื่อบนบุญในสวรรค์ลแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่รักษาศีลตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง ไปตกนรกบ้างก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากลับมาจากอบายก็จะได้สภาพของมนุษย์ที่ไม่ดีจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสจะมีอาการไม่ครบ32มองจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเดียนจะมีอายุไม่ยืนยาวนาน จะมีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีจะไม่จะมีสติปัญญาที่ต่ำนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่ต้องไปเกิดในอบายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้ไปสวรรค์แล้วหรือไปชั้นพรมชั้นเทพแล้วพอกลับมาก็จะดีกว่าเดิม จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมผิวพรรณผ่องใสกว่าเดิมสติปัญญาฉลาดกว่าเดิมฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิมมีอาการ32 ส, ส, สองครบถ้วนบริบูรณ์มีอายุยืนยาวนานกว่าเดิมนี่คืออนิสงค์ของการปฏิบัติชำระกายวาจาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นศีล เช่นทานเช่นสมาธิและวิปัสนาหรือปัญญานี่คือการชาระกายวาจาใจของเราต้องชาระด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอะไรบ้างเช่นตอนนี้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่าเป็นการศึกษาเป็นการสร้างปัญญา ปัญญานี the door. The door ้มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสุตตะมายาปัญญาคือปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาใหม่เรารู้ว่าเราต้องชำระกายวาจาใจของเราที่มีความไม่สะอาดเราต้องชำระด้วยศีลด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า อย่างนี้เรียกว่าสุตะมยปัญญาปัญญาความรู้อันนี้ยังไม่พอเพียงที่จะชําระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะเรายังไม่ได้นําเอาไปปฏิบัติถ้าเป็นยาก็เรายังไม่ได้รับประทานหมอให้ยามาแต่เรายังไม่ได้นําเอาไปรับประทานนี่คือปัญญาขั้นที่หนึ่งปัญญาขั้นที่สองก็คือ กินตาไมยะปัญญาคือความพินิจพิจารณาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาในวันนี้ถ้าเราไม่เอาไปคิดต่อพอเราออกจากวัดไปเดี๋ยวเราลืมได้เพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามาให้เราคิดเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปคิดไปทํางานคิดไปหาเงินคิดไปเที่ยวคิดไปทําอะไรต่างๆ พอเรื่องที่เราได้ยินฟังได้ฟังในวันนี้ในตอนนี้ก็จะถูกกลบไปหมดก็เลยจะไม่ได้ไปชำละกายวาจาใจกลับไปไปทำให้กายวาจาใจให้สกปรปกมากขึ้นด้วยการด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเอามาสอนใจเราต่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้เราต้องเอาไปคิดต่อ คิดอยู่เรื่อยๆเพื่อเตือนเราเตือนใจไม่ให้ลืมนี่เรียกว่าจินตามายาปัญญาความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราเราเอาความคิดความรู้ที่เราได้ยินนี้มาคิดต่อคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ทบทวนเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นและพอถึงเวลาที่จะปฏิบัติจะได้มีความรู้นี้มาคอยทําให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพอเราถึงตอนเย็นอยากจะดื่มสุราเราก็จะจําได้ว่าอ๋อดื่มสุราไม่ได้แล้วเพราะเราถือสิงเพราะเราต้องการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดถ้าเราไม่คิดพอถึงเย็นเราก็จะหยิบขวดเหล้าขึ้นมาดื่มเลยลืมไปเลยว่าวันนี้เรารักษาสิงหรือว่าวันนี้เราได้ยินได้ฟังว่าการไม่ดื่มสุรานี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ การดื่มสุรานี้เป็นโทษเราต้องนำเอาไปคิดต่อเรียกว่าจินตามายปัญญาทบทวนความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาไม่ให้หายไปจากใจของเราแล้วเมื่อเรามีจินตามายปัญญาแล้วพอเวลาเราจะทำอะไรไม่ถูกเราก็จะหยุดได้เพราะเรามีความรู้อยู่คู่กับใจของเราความรู้ที่อยู่คู่กับใจ ที่หยุดการกระทําที่ไม่ดีได้นี้เรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาเป็นปัญญาที่ที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นปัญญาที่หยุดการกระทําชั่วได้เป็นปัญญาที่ตัดความโลภความโกรธความหลงได้แต่ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดอยู่เรื่อยๆและปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังมาก่อน ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็จะคิดแบบเดิมๆ เ, เราคิดชอบเสือดเสพสุราเราก็จะคิดเสพสุราเราคิดชอบปร ะ, ปประพฤติผิดประเวณีเราก็จะประพฤติผิดประเวณีไปเรื่อยๆเราเคยคิดรักขโมยเราก็จะรักขโมยไปเรื่อยๆเราเคยคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต enlight. เราก็จะทาไปเรื่อยๆแต่พอเรารู้แล้วว่า การฆ่าสัตว์ไม่ดีอย่างนี้เราก็มาคอยสอนเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราจะฆ่าขึ้นมาเราก็จะได้มีความรู้ที่เป็นภาวนาไมายปัญญาเป็นความรู้ที่อยู่คู่กับการกระทำของใจเราพอใจคิดจะฆ่าสัตว์ปั๊บไอความรู้นี้ก็จะมาหยุดทันทีบอกว่าฆ่าไม่ได้ฆ่าแล้วเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นคุณนี่ก็คือปัญญาเป็น เป็นเครื่องมือที่จะสามารถชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดได้เราต้องมีปัญญาคู่กับใจคู่กับความคิดของเราประกบกันเลยเหมือนกับเป็นคู่ต่อสู้บนเวทีพอเขาโชคมาปั๊บเราก็ต้องตอบกลับไปเลยไม่ใช่ปล่อยให้เขาโชค อ, อย่างเดียวถ้าเราปล่อยให้เขาโชค อ, อย่างเดียวเราก็จะถูกน็อกใจของเราส่วนใหญ่ไม่มีปัญญา คอยที่ป้องกันไม่ให้เขาชกใส่เราเรามีแต่ถูกกิเลสนอกอยู่ตลอดเวลานอกจนไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าผิดถูกดีชั่วเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราพวกเราจึงโลภ ก, กันอยู่ทุกวันโกรธกันอยู่ทุกวันหลงกันอยู่ทุกวันวุ่นวายใจด้วยความหลงกันอยู่ทุกวัน ห่วงหน้าห่วงหลังห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องของความหลงทั้งนั้นเพราะเราไม่มีปัญญากันเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ปล่อยให้เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่จดจำเอาไว้เลยไม่เก็บเอาไว้ในใจไม่ไม่นำเอามาคิดมาพิจารณาเพื่อไม่ให้หลืมเลยพอฟังแล้วก็แล้วกันไปออกจากวัดไปแล้วก็เหมือนกับ ทิ้งถังขยะไปอย่างนี้ฟังแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องนำเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเตือนตนอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจะทําผิดก็จะได้ไม่ทาเพราะรู้ว่าผลเสียหายที่ตามมานี้มันมากกว่าผลที่เราได้รับเราได้เงินทองมาไม่กี่สตางค์แต่เราต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปมันคุ้มหรือ อยากจะเกิดเป็นมนุษย์หรืออยากจะเกิดเป็นสุนัขอันอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าไม่ไม่รักทรัพย์ตายไปก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่ได้ทําบุญก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนแต่ถ้ารักขโมยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนนี่คือเรื่องที่เราจะต้อง ให้ความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราก็คือสร้างปัญญาสร้างความรู้ไว้คอยควบคุมดูแลความคิดของเราให้คิดอยู่ในทรานองครองธรรมให้คิดอยู่ในศีลในธรรมอย่าให้เขาคิดไปในนอกลูนอกทางของศีลและธรรมถ้าคิดแล้วต้องหยุดทันทีต้องต่อต้านทันทีต้องทำลายทันทีความคิดนี้เราทาลายเขาได้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วเราก็จะถูกเขาหลอกให้เราทําในสิ่งที่จะเกิดโทษกับชีวิตของเราต่อไปดังนั้นขอให้เราจงให้ความสําคัญต่อวันพระขอให้เรามีวันพระถ้าไม่ได้มาวันพระตามวันแรงวันขึ้นสิบห้าค่ำหรือ8ค่าก็ขอให้เรา มาวันที่เราว่างเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งขอให้มีวันพระสักวั น, นเพื่อเราจะได้มามาชำระกายวาจาใจมาสร้างบุญกุศล ส, ส, สร้างศีลธรรธมที่จะได้มาดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้จเจริญก้าวหน้าแข็งแกรปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลาย จึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาชำระกายวาจาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์